เมื่อการประชุมกันของสังขารละโลกที่เป็นไปของส่วนของขันธ์ธาตุตยตนะกำลังดำเนินไปอยู่นั้นน่ะความสมมุติว่าสาัตว์บุคคลหญิงชายจะเกิดขึ้นจึงเรียกว่าสัตว์ตวโลกและสังขารลโลกเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีภาชนะโลกภาชนะโลกก็คือภพคือภูมิต่างๆโดยสรุปว่าโลกสามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปในส่วนของสังขารลโลกสัตว์โลกแล้วก็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 รูปขันธ์ของสัตว์โลกผัสสาหารนำสุขเวทนาทุกเวทนาและทุกขมสุขเวทนาให้กับสัย์โลกมโนสัญเจตนาหารนำปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็นำนำรูปเอานำเกี่ยวในเรื่องของปฏิสนธิรูปนี่เลยให้กับสัย์โลกตัววิญญาณอาหารนำเจตสิกและกรรมมรูปใช่ที่เกิดร่วมกันกับเา